กายกรร ม, มวัชีกรรม ม, มโนกรร ม, มสันจิตะกรร ม, มอสันจิตะกรร ม, มขมันตุเมอโหสิกรร ม, มพระวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัชีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณายาตผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บอย่าได้มีเสเนีย์จันไรและอุปเทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป ขอให้ความสุขสวัสดีมีชัยนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทิน